นี้ทานอย่างที่เสียสละไม่ใช่เสียสละทรัพย์สมบัติภายนอกที่จับคุกด้วยมือหลงพ่อผูดแบบนี้เสียสละคือใครมาพูดมาสมเราก็ตามมานินทาก็ตามเสียสละให้คํำคนที่พูดที่กล่าวนั้นเพราะเขาต้องการย่านั้นให้เขาไปันนั้นก็เป็นทานได้เหมือนกันเดี่ยวาทานเหมือนกันคําว่าทานนั้นหมายถึงไม่เอาคืนมาแล้วคําสมและคํานินทาน แล้วก็เสียสละเพราะคนนั้นต้องการเอาให้เขาไปเสียถ้าอย่างนั้นเดียวเป็นการให้ทานดังนั้นการให้ทานวัตถุสิ่งของก็เป็นให้ทานเหมือนกันโดยมากเราไม่เห็นแต่การวัตถุสิ่งของเสื้อผ้ายารักษาโรคอันนี้การให้ทานเด็กๆ เ, เขาก็ทําได้อันี้บัด น, นี้คนต้องทานอย่างนั้นโอทานอันนั้นนเป็นเรื่องของเด็กเขาจะรู้อย่างนั้นบัด น, นี้ทานอันนี้ เป็นเรื่องของคนแล้วเป็นหน้าที่ของคนแล้วนี่ถามได้กไหมเป็นคนมันมนุษย์บัดเนี่ยลึกเข้าไปอีกแล้วบัดมนุษย์มนุษย์คนลึกเข้าไปกว่าคนนะบัดคาว่ามนุษย์เป็นผู้จิตใจสูงแล้วมัยเป็นเป็นวางแล้วมันคือไม่ต้องเสียสาระอะไรวางเสยอะไรวางเสยคาว่าวางเสยคือไม่สําคัญมั่นหมายกับคําพูดเหล่านั้นดังนั้นเรื่องชีวิตจิตใจเป็นเรื่องสําคัญซื้อไม่ได้ ขายไม่ได้จะศึกษาเล่าเรียนทางทฤษฎีไม่รู้ต้องลงมือทําทําความรู้สึกตัวทําความรู้สึกใจตื่นตัวตื่นใจเอาชน ะ, ะความชั่วให้ได้ดังนั้นการเอาชนะความชั่วนั้นต้องพยายามทําจริงๆถ้าไม่พยายามจริงๆแล้วมันจะไม่ชนะมันนะตอนเซานี่มีอาจารย์คนหนึ่งได้ปริญาเอกเขามาถาม หลวงพ่อพูดเนี่ยถ้าคนไม่คิดจะไม่รู้ทันวันอย่างนั้นแต่ทุกคนคิดได้ถ้าหากคิดทันวั น, น, นถ้าหากไม่คิดแล้วก็ฝังแน่นอยู่อย่างนั้นไม่คิดเลยสําหรับอท่านอาจารย์คนนั้นเนี่ว่าปริยายเอกนี่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์อย่างท่านก็เคยได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มและได้ฟังอาจารย์พูดมาหลายองค์พูดแล้ว อย่างที่หลวงพ่อพูดไม่มีน้อยคนท่านวาอย่างนั้นถึงจะน้อยก็าตามเป็นหน้าที่ที่จะพูดได้เพราะว่ามีคนสนใจอยากฟังหรืออยากอา่านคําพูดของหลวงพ่อก็ยังมีอยู่พอพอได้ท่านว่าอย่างนั้นคนอยากฟังคําพูดหลวงพ่อถึงจะเป็นภาษาเมืองเลยท่านก็ว่าผมฟังได้บางตอนบางตอนก็ฟังยังไม่ได้แต่หนังสือเนี่ย ฟังแล้วอ่านแล้วถ้าหากไม่พิจารณาก็จะไม่เข้าใจทันวันอย่างนั้นเนี่ยที่อาจารย์ที่ด็อกเตอร์เขามาพูดตอนเช้านะี่ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ทันวนอย่างนั้นแต่ท่านคนนี้มาศึกษากับหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่นานท่านมาแต่ท่านทำงานแต่ไม่ได้เอ้ยซื้อคนนั้นคนนี้ท่านทำงานอยู่ในมหาวิธยาลัลมหินุน ทั้งแฟนทั้งตัวท่านเองตอนเย็นท่านก็มาประมาณจากสองทุง่มมาถึงที่วัดมานอนตีห้าท่านออกไปทํางานท่านท่านทำอย่างนั้นอยู่นานท่านก็เข้าใจธรรมะเรื่องที่จะเอาไปใช้หน้าที่ของคนนั่นเองดังนั้นจึงมนุษย์แปลผู้จิตใจสูงคือจิตใจเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาอันมันเป็นประโยชน์ก็นำไปปฏิบัติให้เราเป็นมนุษย์ด้วยหน้าที่ของคนคนมันเห็นแต่คนการทำการพูดการคิดเท่านั้นแต่เรื่องจิตใจเขาเรียกมนุษย์ไม่ใช่คนแล้วคนมันเป็นมนุษย์แล้วท่านว้ดังนั้นมนุษย์นย่นจีว่าหน้าตาแขงขามือเท้าก็เป็นคนเช่นเดียวกันแต่จิตใจนั่นเป็นมนุษย์นี่วา เป็นผู้หักห้ามจิตใจได้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นคนเราเกิดมาต้องศึกษาและปฏิบัติให้รู้หน้าที่ของตนเองจริงๆจึงจะไม่พลาดผิดเมื่อเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็จะพลาดผิดไปบางที่อาจจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเป็ก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นอสุรกายก็ได้อดีต อนาคตนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่ามันจะแก้ไขปัญหาตัวเองไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นที่จะแก้ปัญหาตัวเองได้นั่นก็ต้องปัจจุบันท่านว่าต้องให้รู้ปัจจุบันเมื่อในขณะไหนเวลาใดจิตใจมันนึกคิดไม่ละอายอ้าวแล้วกันเป็นสัติรดาษแล้วเมื่อตายไปก็ต้องเป็นสติรดาษเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไดแล้วอนาคตก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านว่าอย่างนั้น บัดนี้เมื่อคิดปิสาลิษสยาคนนั้นคนโอ้หลายเรื่องถ้าจะพูดไปเป็นหัวข้อหัวข้อไปก็ทั้งวันก็ไม่จบดังนั้นหลวงพ่อจึงพูดเอาใจความสั้นๆเพื่อให้เราเอาไปพิจารณาเองนี่คำว่าเป็นมนุษย์มันต้องรู้สึกจิตใจนึกคิดหักห้ามจิตใจได้เป็นมนุษย์ พอดีใจิตใจมันนึกคิดเรารู้เห็นเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้เนี่ยท่านว่าต้องแก้ปัจจุบันที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ต่อไปนี่เราจะใส่สติปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงท่านว่าอย่างนั้นคนกรุงเทพเรียนมากอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมสาม หลวงพ่อเข้าใจเคยถามมาหลายคนแล้วเรื่องปสามปสี่นี้ปหกนี่ไม่ค่อยมีมีตั้งแต่มสามมหกหรือปริญญานี่มีปริญญาตรีมีจํานวนมากเีลือนี้แต่ก่อนไม่ค่อยมากปริญญาโทก็มากเดี๋ยวนี้ทําปริญญาเอกกันมากนะเพราะว่างานก็น้อยทันไรอย่างนั้นปริญญาตรีนี่หางานอย่างยากอยู่ ถ้าปริญาเอกแล้วหางานสะดวกสบายดีเท่าไหร่ไม่ขัดข้องเพราะคนต้องการคนมีความรู้อันความรู้อันนั้นก็จะเอามาแก้ปัญหาเรื่องผมทุกนี้เองไม่สละเรียนมาแล้วทรงจําคําพูดเหล่านั้นแล้วเอาไปคิดเอาไปหาเงินหาทองอันนั้นก็ดีแล้ว ดังนั้นคนขาดความรู้ขาดความรู้บ้านหลวงพ่อเรียกว่าขาดความรู้ขาดความรู้สิขาดความคิดขาดปัญญาแล้วก็เป็นคนจนนั่นเมื่อเขามาถามถึงความเป็นคนเนี่ยไม่รู้คนเรียกว่าหลจนปัญญาอันอันจนเงิจนจ น, จนทองนั้นใครใก็รู้อแต่เรื่องถามหาความเป็นคนเนี่ยเคยถามมาหลายคนแล้วคนที่ให้ซื้อว่าคนเนี่ยใครเป็นคนให้เสื้อผ้าคนมา ให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้เป็นใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาถามก็ไม่รู้เลยไม่ไม่มีใครมาตอบป่านนี้แหละถามมาหลายปีแล้วก็ว่ามันใครก็เอื้องกันมาชนี้มาจะดึกดามันก็ถูกแล้วคนที่มีปัญญาให้ซื้อเสียงเรียงนามอันนี้มาคำว่าคนเนี่ยเราต้องศึกษาหาความเป็นคนมาที่วัดสนามไนเนี่ยต้องมาเพื่อฟัง ไม่ใช่มาเพื่อพูดเพื่อคุยอะไรกันมากคุยให้น้อยและทำงานให้มากงานที่วัสนธรรมกาลังทำอยู่ในขณะนี้หรือปัจจุบันนี้มีงานเดินจมกรมและสร้างจังหวะสร้างจังหวะก็หมายถึงการสร้างควมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจเรียกว่าเราทำสมาธินั่นเองสมาธิคือตั้งใจมั่น ตั้งใจทําการทํางานพูดคิดท่านี้หรอกสมาธิสมาธิาานั้นแต่สมาธิอันที่เป็นน่งหลับตาภาวนานี่ยก็ดีมันสงบได้แต่อันนั้นสงบแบบไม่สงบทําไมจึงว่าสงบแบบไม่สงบสงบแบบนั้นสงบแบบพามพามรำมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็ไปศึกษากับพาม ไปศึกษากับภามแล้วอันนั้นมันไม่ใช่เป็นทางที่จะแก้ปัญหาตัวเองและแก้ทุกไม่ได้ทั้งก็เลิกลมได้ละได้สิ่งเหล่านั้นดังนั้นศาสน า, าในประเทศอินเดียนะจึงมีหลายศาสนามีหลายละที่มีหลายอาจารย์มีหลายครูมีหลายวิธีปฏิบัติเราต้องเลือกคัดจัดหาเอาให้เป็น ถ้าหากเราไม่เลือกคัดจัดหาเอาไม่เป็นแล้วก็ไปจับน้นจับนี้จับต้นส่วนปลายไม่ได้เรียกว่าย่าเท้าอยู่ที่เดิมนั่นเองทีนี้เราไม่ต้องย่าเท้าอยู่ที่นี่แต่ขย่ำหลวงพ่อเลยอไม่ง้างไปยืนยืนย่าอยู่นี้เป็นตมเป็นเลนเลยเป็นตมเป็นเลนเป็นล่มโพมั้งหลวงพ่อเรือล่มโพติดตมเหมือนกับนกติดตังนกติดตังแต่ ไปไม่ได้เพราะปีกมันติดแล้วก็ไปไม่ได้คนติดล่มติดโคงกอดไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจึงศึกษาให้รู้จริงเลือกทัดจัดหาหักห้ามจิตใจได้เรียกว่าเป็นมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์นั้นเราเคยพูดกันมนุษย์เป็นผู้หักห้ามจิตใจได้มนุษย์กับคนไม่ใช่อันเดียวกัน บันนี้เมื่อหักห้ามจิตใจได้จิตใจมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจควมคิดมันหยุดได้ทันทีนี่เป็นมนุษย์ทันไวนะควมเป็นมนุษย์กับคนจึงไม่เหมือนกันควรมศึกษาและปฏิบัติให้เป็นมนุษย์ได้ทันไวอย่างนั้นดังนั้นการศึกษาอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงก็ศึกษาได้เป็นผู้ชายก็ศึกษาได้ คนเรียนหนังสือมากๆก็ศึกษาได้คนที่ไม่เรียนหนังสือก็ศึกษาได้เป็นอย่างนั้นจะบวชก็ศึกษาได้ไม่บวชก็ศึกษาได้บวชก็ปฏิบัติได้ไม่บวชก็ปฏิบัติได้เพราะมันมีอยู่ที่คนดังนั้นธรรมะแท้นั่นน่ะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่นน่ะมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าศึกษาคนัว พบเห็นแล้วจึงนํามาสอนถ้าตาทิพย์ก็มองเห็นสภาพจิตใจของเรามันนึกมันคิดเห็นรู้เข้าใจสัมผัสหักห้ามได้เหตุว่าตาทิพย์หูทิพย์ฟังคำพูดคำสอนของคนและกภูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้ บางคนก็ไปประสบมาพูดให้เราฟังเราก็รู้เลยว่าเรามีหูทิพย์กายทิพย์ก็กายบริสุทธิ์นั่นเองไม่เอาความสปกปรกหรือความไม่ดีมาแปะเปื้อนนั่นก็ากายทิพย์เมื่อกายเป็นทิพย์แล้วตาก็เป็นทิพย์หูก็เป็นทิพย์ได้เมื่อกายสกปรกอยู่แล้วตาก็สปกปรกหูก็สปกปรกตาก็มืดหูก็นุ่ง กายก็สปกปรกไม่มีความสว่างภายในจิตใจเมื่อไม่มีความสว่างภายในจิตใจแล้วก็ไม่ใช่คนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความสว่างภายในจิตใจเขาเรียกวเป็นคนการทํากรรมาฐานก็ดีการเจริญนิพพานก็ดีเพื่อจะมาแก้ปัญหาความสับสนวุ่นวายนี่เองความสับสนวุ่นวายคือความทุกข์นั้นมันมีหลายประเภท แต่หลวงพ่อนามาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เป็นประเภททางใจมากเพราะว่าหลวงพ่อชอบอย่างนี้และก็พูดแต่อย่างนี้มาไม่พูดเรื่องอื่นเลยเพราะเรื่องอื่นนั้นมีคนพูดเป็นจํานวนมากเรื่องนี้มีคนพูดน้อยที่สุดอยากที่อาจารย์ด็อตอร์เขามาพูดวันนี้เนี่ยดังนั้นการพูดอย่างนี้ถึงจะน้อยก็ต่าง น้อยคนก็ตามต้องพูดได้จังหวะยอมเสียสละทรัพย์กันวะเพราะรักษาอาวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตพอ ร, รักษาสัจธรรมคือความจริงนี่เองคนผู้ที่มีปัญญาเรียกว่าเป็นมนุษย์กันวะอย่างนั้นดังนั้นเหลือจากมนุษย์ไปเพราะมีความละอายแม่ผ้าลดในกลางถนน ก็ยังดีก็โกรธนี่ความโกรธนี่หน้าเบื่อนายหน้าละอาศึกษาธรรมะก็ต้องพยายามลดละขั้นแรกที่สุดเมื่อโกรธขึ้นมาครั้งเดียวคนเนี่ยเลือกคัดจัดหาได้แล้วบอกไม่เอาอันนี้ไม่เอาคนบัด น, นี้มนุษย์ก็เยเฉยได้ดังนั้นการฟังธรรมะนั้นต้องเข้าใจและไปแก้ไขตัวเองปฏิบัติตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้ เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องเป็นเทวดา เ, ดวเรื่องเทวดาเรื่องพระอินทร์พระพรหมมันก็มีอยู่ที่นี่อย่างศึกษาลงไปที่ใจเมื่อศึกษาลงไปที่ใจใจนั่นแหละเป็นคนรู้แต่ไม่ใช่ใจที่มากหัวใจเป็นอุมรุ่มอยู่นั้นไม่ใช่ใจอันั้นใจมันรู้จักนึกคิดนี่หลวงพ่อพูด ใ, ใจมันคิดเห็นจิตใจคนนั้นทุกคนเป็นอย่างนี้แหละอยู่ตลอดเวลา มันเป็นลักษณะเฉยๆอันนี้เนะี่ยลักษณะเฉยๆอันเนี้ยถ้าจะพูดกันเรียกว่าภาษาธรรมะเีลวอุปเบกขาภาษาบ้านเลว่าเฉยๆเฉย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอันลักษณะนี้แหละท่านว่าเป็นนิพพานหรือเป็นสันติเป็นความสงบเมื่อคนใดศึกษารู้เห็นเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทําหน้าที่ของเราโดยไม่เป็นทุกข์นั่นจริงว่า เป็นมนุษย์นะจิวเป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์หรืออยู่เหนือโลกทั้งหมดไม่ใด่เหาะไปอยู่สันฟ้าอันนั้นเป็นเรื่องที่เราขาดคิดเอามนุษย์จ่วเป็นผู้มีจิตใจสูงอยู่เหนือคนไปไม่ใช่ว่าไปอยู่สันฟ้านะอยู่เหนืออารมณ์คนมาสม่มคนมาตําหนิเพราะมีศินแล้วจะเป็นผู้หนักแน่นทั้งหมด หนักแน่นต่ออะไรหนักแน่นต่อการทำการพูดการคิดของตัวเองท่านว่าดังนั้นทุกคนทำได้เมื่อทุกคนทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็ทำให้พุทธศาสนาเจริญทำให้โลกเจริญท่านว่าอย่างไงถ้าทำได้อย่างนี้แล้วจะกินอะไรก็ต้องทำการทำงานตามหน้าที่นั่นเองถ้าหากไม่ทำงานทำการตามหน้าที่ของตัวเองแ้วกปลว่า ผู้ละเลยต่อหน้าที่ดังนั้นผู้เป็นบิดามารดาศึกษาให้รู้ก็ทำหน้าที่ของบิดามารดาท่านว่าอย่างนั้นผู้เป็นลูกบ่นก็ศึกษาให้รู้ก็ทำหน้าที่ของลูกท่านว่าเมื่อลูกก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองพ่อแม่ก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองบ้านของคนเดียวพ่อแม่ครับลูกทุกคนทำหน้าที่ไม่พลาดผิดหรอก เขาเรีว่าบ้านนั้นเป็นเมืองสวรรค์เป็นหอพาสกาบ้านนั้นเป็นพัสกาไม่ใช่พาสกาอยู่สันฟ้านะพระวักะลกะฤทธิดไปดูพระพุทธเจ้าคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามอาดีตอนาคตไม่เคยดูจิตดูใจเลยพระพุทธเจ้าท่านอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้เนะนี่ยเป็หลวงพ่อคิดเอาเองนัะนี่พระวักกะิ์หยุดคมคิดซะทีอย่าไปยุ่งกับขมคิดไปให้พ้นคมคิดไปให้คนสังขารอันนี้อันนี้เป็นตัวทุกข์อาจจะพูดอย่างนั้นก็นได้จึง พวรกลิกจะไปโจรเหวี่ยงตายเยขันไปตามความคิดน่ยมันมันจะเข้าไปในความคิดมันออกจากความคิดไม่ได้เมื่อพระวรกลิกได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าหยุดความคิดไม่เข้าไปในความคิดก็พ้นไปจากความคิดที่ปุ่งแต่งนั่นแหละก็เลยเห็นเวทนาขันไม่เป็นทุกข์แต่ไม่สรุปอันนี้นะเวทนาขันไม่เป็นทุกข์สัญญาขันไม่เป็นทุกข์สังขารขันไม่เป็นทุกข์วิญญาณขันไม่เป็นทุกข์ปัญญาเห็นแจ้งรู้จริง ก็คนจากขมพุกก็ได้ดวงตายเห็นธรรมเห็นธรรมจึงมาเห็นของจริงคนเกิดมาเป็นคนไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองแล้วจะเป็นคนได้ทำไมมันก็เป็นไม่ได้ที่พาะเลือกไม่ได้แต่คนบางคนก็พูดอย่างนี้ก็เข้าใจทันทีก็มีบางคนฟังตั้งหลายครั้งหลายหนจึงเข้าใจสัวมีบางคนฟังตั้งสิบครั้งไม่เข้าใจก็มีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ขุมจริงเข้าใจแต่ไม่เข้าใจ เข้าใจบันไม่ตรงจริงวาสัมมาทิฏฐินะจริงวตรงถ้าหากเราศึกษาพาดผิดไปแล้วการกระทาของเราก็จะไม่ก้าวหน้าดังนั้นการฟังธรรมะจะเป็นใครพูดก็ตามเราจะไปฟังเอาสำนวนการพูดนั้นคนกรุงเทพเรียนมากจับใครมาพูดเขาได้ได้ปริยาตีโทเอกใครพูดก็ได้ อันนั้นเราต้องนับฟังเอาไว้แต่ข้อสําคัญวิธีทรรมข้อสําคัญวิธีทำทำยังไงเราจะไม่รู้แต่การพูดเพราะมันมีหลักทฤษฎีมีตาราอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็เช่นเดียวกันดูจิตดูใจนะพระพุทธเจ้าตัดสั้เพราะการทาทางจิตทางใจนะหลวงพ่อก็พูดได้แต่ว่าวิธีทำนั้นยังไม่เข้าใจดังนั้นต้องศึกษาทางทฤษฎี และศึกษาวิธีปฏิบัติอีกด้วยเราจะเป็นนั่งคาดคิดเอาไม่ได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นั้นจะคิดคาดคะเนเอาไม่ได้จะคิดล่วงหน้าไม่ได้ว่มามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปคิดอย่างนั้นไปตีขวบหมายก็ผิดไปเนี่เป็นอย่างนั้ไรให้มันเป็นให้มันมีมันจึงรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ดังนั้นที่หลวงพ่อพูดน พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงแล้วว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอินิยาบททั้งสี่ให้มีสติกำหนดรู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้เรียกวมีสติบ้านเราเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจท <distraction> ันวันบัดนี้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เนี่ยทันวันบัดนี้คนเคลื่อนไหวไม่รู้เลยแต่มันรู้เยีเ่ยไปตามสัน ส, สัตยาสัตว์มันก็เคลื่อนไหวเป็น มันก็วิ่งเป็นนอนเป็นสัตว์คนก็วิ่งเป็นนอนเป็นเนี่ยมันเป็นยางี้มันก็เหมือนกันกันกบสัตว์นั่นเองดังนั้นการที่รู้กับการที่ไม่รู้มันผิดกันอย่างที่พวกเรานั่งอยู่ดีนี้จิตใจเป็นลักษณะเสยๆ e. มันเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่มีสัญญาอันนี้สัญญาอันนี้จำอันนี้ไม่ได้ถ้าสัญญาจำอันนี้ได้มันก็ต้องอยู่กับอันนี้สเราอยู่ไม่ได้เพราะเรายังไม่ใช่คน แต่อย่ซือาหารลงพวันแต่ไม่ใช่คนเพราะเรายังไม่รู้เนี่ถ้าเรารู้ก็ต้องเลือกเอาอย่างนี้ด้วอันนั้นเป็นหน้าที่ของคนเดียวนะถ้าเรายังยุ่กับอันนี้ไม่ได้เลือกเอาไอ้นี่เนี่ยไม่ได้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนเพื่ออะไรคนมันยังมีขึ้นๆลงๆเป็นเป็เป็นสัตว์เดลสารเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรกี่ปะทะทำไมจึงมาเป็นมันขึ้นๆลงๆขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างนั้นเป็นอย่างนั้นจ้ะ อันนั้นไม่ใช่คนแต่เป็นคนคนต้องเอาอันเดียวแล้วสัญญาจิตวณแนบแน่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะสัญญาลู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาพอดีเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วแบบัดนี้ก็จะเปลี่ยนให้เป็นอริยบุคคลก็ได้อาลีเปลวค่าศึกงะแปลวพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นการทำอะไรทั้งหมดเราต้องศึกษา และต้องปฏิบัติถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติแล้วจะไม่เข้าใจเพียงเข้าใจคําพูดนั้นมันยังเป็นเข้าเปลือกมันยังกินไม่ได้เข้าสารก็ยังกินไม่ได้มันต้องกินเข้าสุกดังนั้นทุกคนให้ทานมาแล้วทุกคนรักษาตินมาแล้วบางคนก็ได้ทํากรรมฐานนั่งข่มสงบมาแล้วถ้ามันยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ มันก็ยังไม่ถูกต้องที่เมื่อแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่เป็นวิปัสนาก็ยังไม่เป็นพุทธาศาสนาพระพุทธเจ้าว่าวิปัสนาต้องแก้ปัญหาตัวเองนั่นวิปัสนาที่ว่าเป็นตัวปัญญาคนจะล่วงทุกไปได้ก็เพราะปัญญาเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าคนจะล่วงทุกไปได้เพราะไปนั่งไปสงบอย่างนั้นอันสงบแบบนั้นเรียกว่าอยู่ในธรรมอยู่ที่มืดเมื่อเราจุดไฟขึ้นมามีแสงแต่ที่มืดมันไม่ออกจากเรา บัด น, นี้เราหนีออกจากถ้ามาอยู่ที่แจ้งอันนี้เรียกว่าเราพ้นไปจากความมืดกันมาอย่างนั้นความมืดกับความไม่รู้ความไม่เข้าใจก็เรียกว่าคนที่ไม่รู้นั่นเองบัด น, นี้คนมีความสว่างความเห็นแจ้งก็แปลว่าคนที่รู้นั่นเองคําว่าวิปัสสนาก็มันสมมุติขึ้นมาสิ่งที่สมมุตินั่นแหะสมมุติมาพูดให้ฟังแล้วก็นําไปใช้ มันจะทิ้งสมมุติไม่ได้พระจึงแปลยผู้สอนคุณบวชเข้ามาแล้วยังไม่สอนคนพุทธก็เป็นคนธรรมดานี่เองจิตใจยังเหมือนเดิมนั่นเองเคยเห็นไหมคนบวชเข้ามาแล้วก็ยังทําเหมือนเดิมศึกออกไปก็ยังทําเหมือนเดิมก็เป็นคนธรรมดานี่เองดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนานนั้เป็นโยมก็ศึกษาได้เป็นพระก็ศึกษาได้เป็นใครๆก็ศึกษาได้ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาตัวเอง